2อะคติอาคารตับพระว่าด้วยภิกษุไม่พึงลำเอียงไม่ลำเอียงเพราะชอบสามร้าว่าไม่พึงลำเอียงเพราะชอบนั้นคือภิกษุผู้ลำเอียงเพราะชอบอย่างไรจึงชื่อว่าลำเอียงเพราะชอบภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้คิดว่าท่านผู้นี้เป็นอุปชา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 แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวิไนยัย 4. แ ส, สดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วิไนยัย 5. แ ส, สดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ภาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตได้ภาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ 6. แสดงสิส่งที่พระตถาคตได้ภาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ว่า พระตถาคตไม่ได้ภาสิทธไว้มิได้ตรัสไว้ 7. แสดงจริยาวัดที่พระตาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาว่าพระตาคตได้ทรงประพฤติมา 8. แสดงจริยาวัดที่พระตถาคตได้ทรงประพฤติมาว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่พระตาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ ว่าพระตถาคตได้ทรงบัญญัติ 10. แสดงสิ่งที่พระตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 11. แสดงอนาบัตว่าเป็นอาบัต1ิแสดงอาบัตว่าเป็นอนาบัต1ิแสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตหนัก 14. บแสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตเบา 15. แสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือ